อใบวันนี้เราตกลงกันอย่างนี้ดีไหมครับผมจะลงมาเทศนาที่ข้างข้างล่างแล้วท่านพี่น้องกระเถิบขึ้นมาที่ด้านหน้าฮัลโหลทุกคนยังอยู่ไหมครับอยู่นะครับ <laughs> ผมลงมาเทศนาที่ข้างล่างแล้วพวกเรากระเถิบขึ้นมาข้างหน้าเพื่อผมจะเห็นหน้าเราชัดชัดขึ้นนิดนึงดีไหมครับดีไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก พระธรรมตอนที่จะใช้สม ก, การเทสานไดไบวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่เจข้อยี่สิบสีจนถึงข้อที่ยีบเจที่เราเพิ่งอ่านไปนั่นจะเป็นพระธรรมตอนหลักแต่เพื่อให้เราได้ภาพใหญ่เนี่ยของเนื้อหาก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ที่เราเรียกว่าบริบทของพระพีผมอยากจะนําพวกเราอ่านตั้งแต่ข้อที่สิบสาเป็นต้นมานะครับแฟนผมอย่านตั้งแต่มัทธิวบทที่เจข้อสิบสเป็นต้นมาท่านพี่น้องที่จํำพระพีได้หมดแล้วก็ฟังอย่างเดียวนะครับ พวกเราที่มีความปีก็เปิดดูไปพร้อมๆกันนะครับผมจะอานให้พวกเราฟังจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นก็นำไปถึงความพิความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปในทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยโชนะเทียมเทจที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะ แต่ภายในนั้นไร้กาดมันหมาป่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาผลองูนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามหรือต้นอ่าต้นไม้ก็อ่าต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวก็ไม่ได้และต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดี ย่อมถูกควันลงและทิ้งเสียในไฟฉะนั้นพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้เพราะอาการกระทำของพวกเขาหรือพระพลของพวกเขาไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดิน ส, สวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราผูส้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจํานวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพงศ์ได้เผยพรวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งอิจทริตมากมายเพราะนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อ น, นั้นเราจะกราบแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้เจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราแล้วหลังนั้นก็จะมาถึงตอนที่เราเพิ่งอ่านไปนะครับในข้อยี่สิ ฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเหมือนผู้ที่มีสติปัปญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้าก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นแต่บ้านไม่ได้พังพังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเหมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของเขาไว้บนทราย แล้วฝนก็ตกและน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็ทลายลงและการพังถลายนั้นก็ยิ่งใหญ่ให้เราขอพอรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาบายวันนี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งที่เราทั้งหลายสามารถอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าสําหรับพระพรนา น, นับประการที่พระองค์ได้เวพร์แก่เราทุกช้าเมื่อเราตื่นขึ้นเราตระหนักว่าในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ เรารู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่อย่างเดียวกันเมื่อวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นเป็นดิดเป็นพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์พระเจ้าซึ่งเราทั้งหลายสามารถเชื่อพึ่งไว้วางใจได้เราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ใน่้ำกลางความแปรผันต่างๆในโลกที่เราอยู่นี้พระองค์ทรงตกแต่งผู้ทรงตกแต่งดอกไม้ที่ทุ่งหญ้าที่แม้แต่เครื่องทร ง, งของกรรษัตริย์ซาโลมอนไม่อาจเปรียบเทียบในความวิจิตรสวยงาม พระองค์ทรงเป็นอบาเป็นบิดาของเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์พระบิดาเจ้าบ่ายวันนี้เราถายโมทนาขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระวจนะที่เอามีโอกาสได้อ่านและจะใช้วันนี้การใคไข ค, ควรวญพระคำของพระองค์พร้อมด้วยพอในความนึกคิดของเราทั้งหลายสงบนิ่งให้ใจของเราเปิดอยู่ต่อพระพักของพระองค์เจ้าเพื่อสิ่งที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังในบ่ายนี้จะก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติเพื่อว่าพระวจนะของพระองค์จะไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลความรู้เท่านั้น แต่เพื่อพระคำของพระเจ้าจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตประจําวันของเราขอเวพร์กับผู้ฟังเวพอร์กับผู้กล่าวเพื่อเราท้าจะกลับกลายเป็นผู้ดําเนินตามพระคําของพระองค์เจ้าข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาด็อกเตอเบรเกอรแฮมซึ่งเป็นผู้เผยแพร่พพ ข, ข่าวประเสริฐที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเป็นอย่างมาก มีลูกทั้งหมดอยู่ห้าคนด้วยกันทั้งลูกชายและลู ก, ลกและลูกสาวลูกสาวคนหนึ่งของท่านชื่อว่าแอนเกรแฮมแต่งงานกับชายคนหนึ่งที่ชื่อท้ายชื่อลอสนะครับเราจะเรียกเขาว่ามิสซิสแอนเกรแฮมลอสบุตรสาวของด็รเบรเกแฮมคนคนนี้เคยเล่าในบทบทความหนึ่งเมื่อปี2005ถึงประสบการณ์ของเพื่อนคนหนึ่งที่เดินทางลงไปเยี่ยมประเทศหนึ่งในแอฟริกาในบทความนั้นมิสซิสลอเล่ า, อ ย, าอย่างนี้ว่า เพื่อนคนนั้นเดินทางลงไปเพื่อติดต่อกับผู้นําำขวัญจักรในพื้นที่สำหรับการทําพันธกิจบางอย่างภายในประเทศนั้นในขณะที่อยู่บนเครื่องบินเล็กนะครับที่บินจากสนามบินนานาชาติเพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทางนั้นจากเครื่องบินเล็กมองลงไปที่ด้านล่างคนบนเครื่องบินรวมทั้งมิสซิสลอส์ด้วยเห็นต้นไม้อะไรบางอย่างนะครับที่คล้ายๆกับหญ้าแต่ว่ายาวแล้วก็สูงมากอยู่เต็มไปหมดพื้นที่นับเป็นใหม่ๆ เนื่องจากว่าเขาไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เขาเห็นเขาก็เลยถามคนที่อยู่บนเครื่องบินที่นำทางเขาบอกว่าต้นที่เขากำลังเห็นอยู่นี้ชื่ออะไรคนที่นำทางเขาบอกเขาว่าต้นนี้เนี่ยมีชื่อในภาษาพื้นเมืองว่านารูแล้วก็คนนั้นก็ขยายความต่อว่าต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่พวกเขาเพิ่งคนคนพบขึ้นแล้วก็พบว่าพืชชนิดนี้ทนดินฟ้าอากาศได้ดีเป็นอย่างยิ่งคนในประเทศนั้นคาดว่า ในเวลาไม่นานนักเนี่ยกบกลายเป็นพืชหลักของคนภายในประเทศและก็ช่วยปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารและก็ทรัพายากรต่างๆในการบำรุงเลี้ยงคนในประเทศนั้นเวลาผ่านไปหลายปีด้วยกันมิสซิสลอสเดินทางกลับไปที่นั่นอีกครั้งครั้งหนึ่งแล้วก็นั่งเครื่องบินเล็กผ่านเส้นทางสายเดียวกันแต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งแรกเป็นอย่างมากเพราะเมื่อมองจากเครื่องบินเล็กลงไปที่ข้างล่าง พบว่าพื้นที่ที่แต่ก่อนมีต้นนารูอยู่เต็มไปหมดนั้นกับกลายเป็นดินแห้งผากอยู่เต็มไปหมดทั้งพื้นที่นั้นต้นไม้เหล่านั้นไม่รู้ว่าหายไปที่ไหนหมดดังนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพื่อนของมิสซิสลอสก็เลยถามคนที่าพาเขาเดินทางนั้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคนนั้นก็เล่าให้ฟังบอกอบอกว่าเป็นความจริงที่หลังจากเวลาผ่านไปหลายปีแล้วต้นนา루เนี่ยกับกลายเป็นพืชหลักของคนภายในประเทศนั้น แล้วก็ปลูกอย่างล่ำสันเป็นกิจลักษณะแล้วก็เอาต้นไม้แบบนั้นเนี่ยมาบำบำุงเลี้ยงคนภายในประเทศแต่ต่อมาภายหลังเมื่อมีการ ว, วิจัยเกี่ยบต้นนารูนั้นเขาค้นพบว่าต้นนารูเกือบจะไม่มีคุณค่าทางโพชนิการใดๆเลยดังนั้นคนภายในประเทศนั้นขณะที่กินต้นไม้ประเภทนั้นเนี่ยผลของมันเข้าไปจงเ ต, ต, ต็งกับเต็มเต็มกระเพาะ คนจะอาจจะจํานวนมากเหล่านั้นกลับกลายเป็นคนโรค อ, อ, า, รอาหารที่จำจำเป็นต่อการทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําให้พวกเขามีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บนั้นดังนั้นขณะที่รับประทานเข้าไปเต็มนะครับคนในประเทศกินเป็นจํานวนมากแต่ในท้ายที่สุดกลับมีความอ่อนแอเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาสิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพกับคนในแอฟริกาประเทศนั้นสามารถเกิดขึ้นกับเราในฝ่ายวิญญาณจิตของเราด้วย เช่นเดียวกันอาจบางทีพวกเราหลายคนในชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตของเราในการติดตามพระคริสต์ไปเรากินนารูในฝ่ายวิญญาณจนเต็มกระเพาะแต่พร้อมๆกับนารูที่เรากินเข้าไปเต็มกระเพาะนั้นเรากลับขาดสารอาหารที่จะสามารถช่วยเราให้เข้มแข็งให้เราอย่างลากลึกลงไปในความเชื่อในพระคริสต์แล้วก็ทําให้เราสามารถเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าได้ นั่นเป็นส่วนที่ผมอยากจะพาเรามาพิจารณาดูพระธรรมตอนที่เราได้อ่านไปด้วยกันในบ่ายนี้มัทธิวบทที่เจข้อยี่สบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบเจเชื่อแน่ว่าเป็นพระธรรมตอนที่พวกเราคุ้นเคยเป็นอย่างมากเราอาจจะอ่านหนังสือเรียนรวีวันและศึกษาฟังเทศจากพระธรรมตอนนี้หลายต่อหลายครั้งด้วยกันเรามีเพลง ร, รวีที่เราร้องนะครับให้กับเด็กๆฟังที่มาจากพื้นฐานของเรื่องที่พระคริสต์ได้เล่าในพระธรรมตอนนี้ ในบริบทเดิมของมัทธิวนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นตอนท้ายของคำเทศาบานภูเขานะครับเป็นข้อสรุปแล้วก็นอกจากนั้นคำว่าเพราะชัดช น, นในตอนต้นของข้อ24บ่งบอกให้เราทราบว่านี่เป็นตอนสรุปของเนื้อหาตอนท้ายของมัทธิวบทที่7ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ข้อที่13นั่นแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูบริบทของพระธรรมตอนนี้ตั้งแต่ข้อ13เป็นต้นๆ้นไปเราจะพบว่ามีตัวเลือก สองตัวที่พระคริสต์ยื่นให้กับบรรดาคนที่ฟังเพรงในเวลานั้นพระองค์อยากให้พวกเขาเลือกตัวเลือกหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธอีกตัวเลือกหนึ่งแต่อาจบางทีบางคนที่ฟังจะเลือกตัวเลือกที่พระเยซูไม่อยากให้พวกเขาเลือกนะครับตัวเลือกทั้งสองนั้นมีอะไรบ้างมีประตูแคบกับประตูกว้างทางแคบและทางกว้างพระเยซูอยากให้บรรดาคนที่ฟังเข้าไปในทางคับแคบนั้นเพราะปลายทางนำไปสู่ชีวิตนิรันดร แต่คนที่เข้าไปทางประตูกว้างเดินง่ายเข้าง่ายไปง่ายปลายทางของของมันจะมีะความพิพิณาตรอคออยู่ที่ตรงนั้นหลังจากนั้นในข้อที่สิบห้าจนถึงข้อที่ยี่พระเยซูพูดถึงต้นไม้ดีแนละต้นไม้เลวต้นไม้ดีก็จะเกิดผลดีแล้วต้นไม้ดีเหล่านั้นผลดีเหล่านั้นก็ถูกเก็บเข้าออไปใช้นะครับในขณะที่ต้นไม้เลวเกิดผลผลเลวในท้ายที่สุด ก, ก็จะถูกตัดแล้วก็โยนลงไปในกองไฟ พระเยซูอยากให้ผู้ที่ฟังพระองค์เป็นต้นไม้ดีที่เกิดผลดีเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนั้นไม่มีชีวิตที่แท้จริงอยู่หลังจากนั้นในข้อยี่สบแดถึงยี่สิบสามพระเยซูพูดถึงคนที่เรียกพระองค์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ากับคนที่กระทําตามพระทัยของพระองค์พระเยซูตรัสว่ามีแต่เพียงคนที่กระทําตามพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปในราชจักรของพระองค์คนที่เพียงแต่เรียกพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น พระเยซูจะตัดกับเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยแล้วก็ท้ายสุดก็จะมาถึงข้อพระธรรมตอนที่เราจะใช้เป็นหลักในบ่ายนี้ในข้อ24จนถึงข้อที่27พระเยซูพูดถึงคนปลูกบ้านสองคนด้วยกันคนหนึ่งเป็นคนที่มีปัปญญาแล้วคนมีปัญญาไปปลูกบ้านอยู่บนก้อนหินอีกคนหนึ่งเป็นคนเข่าวเป็นคนโง่แล้วก็คนนั้นไปปลูกบ้านอยู่บนทราย ในยามปกติทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีแต่ในท้ายที่สุดความแตกต่างของบ้านทั้งสองนั้นก็ปรากฏออกมาให้เห็นพระเยซูอยากให้บรรดาคนที่ฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสสอนในวันนั้นเป็นคนมี ป, นปัญญาที่สร้างบ้านอยู่บนหินไม่ใช่คนโง่เขลาที่สร้างบ้านอยู่บนดินทรายนั้นดังนั้นพระธรรมตอนที่เรากำลังดูด้วยกันในบทที่เจข้อ 24-27 จึงเป็นตอนสรุปสุดท้ายของคําเทศบาบนภูเขา เป็นพระธรรมตอนที่ส ำ, สำคัญเป็นอย่างมากในพระธรรมตอนตอนนี้เนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเนื้อหาความจริงง่ายมากนะครับพระเยซูเล่าว่ามีคนสองคนออกไปสร้างสร้างบ้านคนที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนก้อนหินคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนเอาไว้บนทรายในยามที่ท้องฟ้าแจา่มใสอากาศเป็นปกติทุกอย่างดาเนินไปได้อย่างเรียบร้อย บ้านสองหลังนี้ก็ไม่ได้ดูรายแตกต่างกันสามารถพักอาศัยได้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วก็บ้านที่สร้างอยู่บนทรายคงจะสร้างง่ายกว่าบ้านที่สร้างอยู่บนก้อนหินนั่นแต่ว่าท้องฟ้าไม่ได้แจ่มแจมใสปีละส6 5อหสิห้าวันท้องฟ้าไม่ได้แจ่มใสทุกๆวันทุกๆช่วงเวลาไม่ช้าก็เร็วไม่เมื่อไหรก่ก็ตอนใดตอนตอ น, ตอนหนึ่งก็จะมาถึงเมื่ออากาศผิดปกติมาเยือนในพื้นที่นั่น เมื่อเปโตรเล่าขบวนกาเรื่องเรื่องนี้พระองค์อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็บางช่วงในแผ่นดินปาเลสไตน์จะมีพายุฝนพัดขึ้นมาจากท้องท่าเลนะครับเวลาที่พายุฝนเข้ามาบนแผ่นแผ่นดินนั้นจะหอบเอาน้ําจํานวนมหาศาลเข้ามาแล้วก็ก่อเกิดกลับกลายเป็นฝนที่บางครั้งหนักหน่วงเป็นอย่างมากเทน้ําจํานวนมหาศาลลงยังจุดที่เป็นจากที่ราบสูงนะครับ ดังนั้นน้ําจํานวนมหาสารที่เทลงมานั้นก็จะหาทางทางลงแล้วก็ลําธารทั้งเล็กและใหญ่ที่เรียกว่าวาดีซึ่งแห้งแล้งไปในช่วงหน้าแล้งนั้นพอน้ําจํานวนมหาสารไหลลงมาอย่างอย่างนี้ก็จะพากันเ อ, อ่อลําธารประเภทนั้นยิ่งมีน้ํามากแรงขับเคลื่อนของน้ําก็ยิ่งยิ่งแรงแล้วก็น้ําประเภทนี้ไหลไปถึงที่ใดก็แล้วแต่ถ้าสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ไม่มีรากฐานแน่นเพียงพอแล้ว น้ำเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ในคำบอกประมาณเรื่องนี้มีพายุฝนเกิดขึ้นพระเยซูเล่าว่าฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวแล้วลมก็พัดประทะเรือนนั้นมีพายุฝนเกิดขึ้นแล้วพายุฝนกลับกลายเป็นตัวแปรที่ทำให้เห็นความแตกต่างของบ้านทั้งสองหลังนั้นปรากฏออกออกมาบ้านที่แข็งแข็งแรงกว่า อาศัยความเข้มแข็งของก้อนหินมาเป็นที่รองรับลมที่พัดปะทะแล้วก็น้ำที่ไหลเชี่ยวตลอดชนังฝนที่ตกล ง, ลงมาไม่ใช่เป็นเพราะว่าบ้านนั้นแข็งแรงในตัวของมันเองแต่เป็นเพราะว่าความเข้มแข็งของก้อนหินป้องกันบ้านหลังนั้นไวแต่บ้านที่ปลูกอยู่บนดินอยู่บนทรายนั้นเมื่อเจอภาวะในลักษณะอย่างเดียวกันไม่สามารถทานทนต่อแรงประทะ ของสิ่งเหล่านั้นได้ถลม่มลงไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาบรรดาคนที่ฟังพระเฟังพระเยซูตรัสในพระธรรมตอนตอนนี้คุ้นเคยกับปรากฏการณ์แบบนี้เป็นอย่างมากเพราะสิ่งอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์ทุกปีนะครับพวกเขารู้นะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ช้าก็เร็วจะมาเยือนบ้านทั้งสองนี้อย่างแน่นอน ไม่วันนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันมะรืนที่ถัดออกไปดังนั้นคนที่สร้างอยู่บนทรายจึงเป็นคนโง่เป็นคนโง่ก็เพราะว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่คนนั้นก็ไม่สร้างบ้านของตนอยู่บนก้อนก้อนหินยังคงอาศัยความง่ายาดที่ตรงนั้นสร้างบ้านของตนอยู่บนดินดินทรายแล้วก็เวลาเกิดพายุที่เกิดเกิดขึ้นเป็นตัวท ด, ทดสอบ บ้านหลังนั้นก็ไม่สามารถทานทนอยู่ได้คนทั้งสองประเภทที่เปโตรตัดในพระธรรมตอนนี้หมายถึงคนประเภทใดพระเยซูอธิบายไว้ชัดมากนะครับพระเยซูตัดว่าคนที่มีปัญญาคือคนที่ได้ยินแล้วก็ประพฤติตามสิ่งที่โปรงสั่งสอนพวกพวกเขาคนที่ฟังพระดารัดที่พระเยซูตัดในคําเทศาบาลภูเขานั้นเพระวจนะของพระเจ้า แล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วพระเยซูก็ตรัสว่าคนโง่เขาคือคนที่ได้ยินแต่ว่าไม่ได้ประพฤติตามสังเกตดูว่าความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองนี้ไม่ได้อยู่ที่คนหนึ่งได้ยินอีกคนหนึ่งไม่ได้ยินสองคนได้ยินเหมือนกันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าคนหนึ่งได้ยินแล้วเข้าใจคนหนึ่งได้ยินแล้วไม่เข้าใจนะครับเป็นไม่ได้ว่าคนที่สร้างอยู่บนดินดินทรายนั้นก็มีความเข้าใจเหมือนกับ คนที่สร้างบ้านอยู่บงก้อนก้อนหินความแตกต่างอยู่ที่เดียวก็คือว่าคนที่มีปัญญาได้ยินแล้วก็คล้อยตามด้วยการนำสิ่งที่ได้ยินได้เข้าใจนั้นไปลงมือประพฤติตามในขณะที่คนที่โง่เขานั้นได้ยินอาจจะเกิดความเข้าออใจด้วยแต่ปฏิเสธที่จะเอาน้อมชีวิตของตอนอยู่ภายใต้สิทธิอานาจแห่งพระวจนะที่เปูตรตัดกับพวกพวกเขาในเวลานั้น คนที่ฟังแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ประพฤติตามอาจจะเป็นคนที่ชอบฟังเทศด้วยนะครับอาจจะเป็นคนที่เอนจอยคำเทศนามากอาจจะเป็นคนที่ให้ความเอาใจใส่กับสิ่งที่ตนได้ยินอาจจะเป็นคนที่เอาสิ่งที่ตัวเงได้ยินไปถ่ายทอดให้กับคนคนอื่นได้อาจจะทำอะไรต่อห ล, หลายอย่างด้วยการเกี่ยวข้องกับพระชนะที่เขาได้ยินได้ฟังนั้นแต่ตราบใดที่คนคนนั้น ไม่นําไปปฏิบัติตามพระเยซูตัดว่าคนคนนั้นเป็นคนโง่เขาพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมความจริงที่ง่ายมากพระธรรมตอนนี้สอนอะไรแก่เราผมคิดว่าบทเรียนที่พระเยซูต้องการจะสอนเราก็คือมีแต่คนที่ฟังด้วยความเข้าใจและประพฤติตามเท่านั้นจึงจะยืนหยัดอยู่ได้ในการทดสอบ แล้วถ้าเราอ่านมัทธิวตั้งแต่บทที่7ขอ 13, ้อสิเป็นต้นๆเป็นต้นเป็นต้นไปการทดสอบที่พระเยซูตัดในคําบุปมาเรื่องนี้ไม่ใช่การทดสอบย่อยๆนะครับก่อนหน้านั้นพระผู้พูดถึงประตูใหญ่กับประตูเล็กทางที่นําไปสู่ชีวิตกับทางที่นําไปสู่ความพิพิณาธ์พระเยซูพูดถึงต้นไม้ดีกับต้นไม้เลวต้นไม้เลวจะต้องถูกเผาด้วยไฟพระเยซูพูดถึงคนที่เรียกพงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ได้ประพฤติตาม กับคนที่ฟังค น, คนที่ประพฤติตามพระทัยของเปรีะเจ้าคนที่ไม่ได้ประพฤติตามพระเยซูตรัสว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยแล้วจึงมาถึงคำบอก ป, ประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่พระเยซูต้องการจะบอกผู้ฟังของพระง์ในเวลานั้นก็คือวันหนึ่งจะมีการทดสอบใหญ่และการทดสอบใหญ่นั้นเราทุกคนจะถูกทดสอบต่อหน้าพระพักของเปรีะเจ้าแล้วจะมีแต่เพียงคนที่เข้าไปทางประตูใหญ่เท่านั้นาทางทา ง, ทางประตูแคบเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าไปสู่แผ่นดินของพระองค์ได้มีแต่เพียงต้นไม้ดีเท่านั้นที่เกิดผลดีจึงจะถูกนําเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์แล้วก็มีแต่เพียงคนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นที่พระเยซูจะรับคนคนเหล่านั้นเข้าไปในราชาจาักรของพระองค์แล้วก็มีแต่เพียงคนที่สร้างบ้านอยู่บนก้อนหินเท่านั้นคนที่ประพฤติตามพระชนะของพรองค์เท่านั้นที่จะถูกรับการยอมรับเนี่ยจากพระองค์ในเวลานั้น นั่นเป็นการทดสอบใหญ่ที่เราไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องอยู่ที่ตรงตรงนั้นแล้วเราแต่ละคนจ ะ, ต, ะ, นจะต้องให้การกับพระเจ้าในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ถือได้ปฏิบัติไปนั้นแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นที่มีการทดสอบใหญ่ตลอดชีวิตของเราบนแผ่นดินโลกนี้ก็มีการทดสอบเล็กๆต่างๆมากมายหลายอย่างด้วยกันบางครั้งก็หนักหนาบางครั้งก็ไม่ไมหนักหนา บางครั้งก็หนักเป็นอย่างมากผ่านเข้ามาบนเส้นทางชีวิตของของเราในการทดสอบเหล่านั้นที่เราจะพบในชีวิตจริงของเราบนแผ่นดินโลกก่อนจะเป็นการทดสอบครั้งใหญ่นั้นต่อนหน้าพระพักของเปรีจ้ามีแต่คนที่ฟังพระวชนะของเปรีจ้าด้วยความเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติเท่านั้นจึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในท่ามกลางการทดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น ตอนนี้ถามว่าทำยังไงเราจึงสามารถแข็งแกร่งขึ้นในพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถยืนหยัดพบกับการทดสอบต่างๆในชีวิตก็เสียงของเราบนโลกนี้และการทดสอบใหญ่ในวันนั้นมีคำตอบยาวกับคำตอบสั้นพี่น้องอยากจะได้คำตอบยาวหรือคำตอบสั้นคำ ค, ำอคำตอบยาวต้องไปเรียนที่โรงเรียนพระคริสตรมนะครับนั่นเป็นคำเป็นคำตอบยาวายวันนี้ อาจจะพูดถึงคำํำคําคตอบสั้นผมอาคิดว่าปัจจัยสําคัญเป็นอย่างมากสองอย่างที่จะทําให้เรามีความลึกในชีวิตข้อเสียงของเราและก็มีความมั่นคงทําให้เราสามารถพบกับการทดสอบต่างๆรวมทั้งการทดสอบครั้งใหญ่ในวันนั้นต่อนหน้าพระพักของพระเจ้านะครับก็คือ 1. เป็นความเข้าใจในพระคัมภีร์อย่างถูกต้องแล้วก็ปัจจัยประการที่2ก็คือการมีประสบการณ์ พระเจ้าสองอย่างนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความลึกในการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับเราแต่ละคนความเข้าใจในพระคัมภีร์อย่างถูกต้องมีความหมายมากกว่าการจำข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ได้นะครับการเข้าใจพระคัมภีร์อย่างถูกต้องมีความหมายมากกว่ารู้ว่าโนอาเข้าไปอยู่ในเรือทั้งหมดกี่วันด้วยกัน แล้วก็น้ําท่วมโลกนี้ทั้งหมดกี่วันความเข้าใจที่ถูกต้องมีมากกว่าการรู้ว่าอิสราเอลไปเป็นทา่าไปไปเป็นท่าอยู่ในประเทศอียิปต์ทั้งหมดกี่ปีแล้วก็จํานวนคนที่ออกจากประเทศอียิปต์มีทั้งหมดอยู่กี่คนแล้วในเส้นทางที่เขาเดินไปนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบนเส้นทางที่เขาเดินไปนั้นการเข้าใจเพิ่มพี่อย่างถูกต้องมีความหมายมากกว่าการจําชื่อของอัครทูตทั้งสิบสองคนคนได้ แล้วก็จำรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นได้การเข้าใจพระพีอย่างถูกต้องมีความหมายครอบคลุมถึงการเห็นความเกี่ยวโยงระหว่างเนื้อหาในพระชนะของพระเจ้ากับชีวิตจริงของเราพระกัมพีบอกว่าพระชนะทุกตอนได้การโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี เพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมสอบการดีทุกประการพระเจ้าประทานเพิ่มพีมาไม่ใช่เพื่อให้เราสามารถจําข้อมูลแล้วก็ไปสอบอย่างเช่นที่โรงเรียนพัคคิสตามเป็นต้นหรือชั้นระวีวารศึกษาทติคือจักถ้าหากมีการสอบในชั้นระวีนะครับพระเจ้าประทานพรชนะของโป่งให้เราเพื่อเราจะเข้าใจเนื้อหาข้างในแล้วหลังจากเข้าใจเนื้อหาที่ข้างข้างในแล้วเห็นความเกี่ยวโยงระหว่างเนื้อหาข้างในกับชีวิตจริงของเราในปัจจุบันนี้ว่า เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะใดแล้วเมื่อเราเห็นความหมายของป้าปีที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับชีวิตของเราเราเริ่มต้นลงมือปฏิบัติตามเราก็จะเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าและก็พระวจนะของพระองค์ผมเกือบจะไม่รู้จักใครที่นั่งอยู่ในห้องประชุมในวันนี้นะครับแต่ผมจะบอกไม่ได้ว่าชีวิตส่วนตัวของเราแต่คนกับพระเจ้าเป็นอย่างไร แต่ผมอยากจะแบ่งปันกับเรานะครับเกี่ยวกับนักผู้อผู้เชี่ยวชาญคริสเตียนศึกษาคนนึ่งชื่อลอเรนซ์ริชาร์ดส์ลอเรนซ์ริชาร์ดเคยมาที่ประเทศไทยเมื่อประมาณสักอาจจะสัก30ปีก่อนนะครับตอนนี้ท่านคงจะจากโลกนี้ไปแล้วคนนี้เป็นคนที่เก่งเรื่องคริสเตียนศึกษาเป็นอย่างมากเขียนหนังสือเกี่ยวเรื่องคริสเตียนศึกษาเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งที่ l a ลอเรนซ์ริชาร์ดเขียนเขียนไว้ชื่อว่า Creative Bible Teaching ลอเลนส์ริชาร์ดพูดถึงการเรียนรู้พระคัมภีร์หระดับด้วยกันใบวันนี้จะใช้การเรียนรู้พระคัมภีร์หระดับของเขามาเป็นมาตรวัดนะครับแล้วพวกเราแต่ละคนประเมินดูว่าจนถึงวันวันนี้เนี่ยเราเรียนพระคัมภีร์ไปทั้งไปถึงระดับไหนแล้วนะครับในระดับที่หนึ่งด็อกเ e อร์ลอเลนส์ริชารบอกว่าเราเรียนจนทั้งเราสามารถจดจําข้อมูลที่อยู่ในพระคัมภีร์ได้ โดยปราศจากการคิดถึงความหมายของสิ่งที่เราจดจาเรียนจนักเราสามารถจดจำได้ถ้าสอบเราสามารถให้ข้อมูลดิบตรงนั้นลงไปในกระาดาษได้ผู้คุยกับคนคนอื่นสามารถยกข้อมูลไปโยนไปโยมากับค น, คนอื่นได้แต่ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่เราจดเราจดจำไว้โรแลนด์เรชาร์ดบอกว่าอาจบางทีการเรียนรู้ในคิ้นสัร อาจจะมากถึง 90% ด้วยการอยู่ในประเภทที่หนึ่งดีทดสอบดูหน่อยเนาะโอเคผมจะสอนประโยคกรีกประโยคหนึ่งให้พวกใหพก้พวกเราพวกเรามีทั้งหมดอยู่4ี่คำด้วยกันนะครับพวกเราพูดตามผมเนาะโฮเซอสอะคาพาฮูมาสโอเค1 2 3่งสองสามโฮเซอสอะคาพาฮูมาสโอเคพูดอีกทีหนึ่ง โอเคดีมากท่านพี่น้องพูดภาสักกลีกได้ประโยคหนึ่งแล้วเจอคนกลีกที่ไหนลองพูดให้เขาฟังนะครับหวังว่าเขาจะสามารถแปลได้ว่าแปล ว, ว่าอะไรตอนนี้ท่านพี่น้องก็จะถามผมบอกว่าแล้วไอ้ที่เราท่องไปเฮอเซออสกาฟาฮูมาสแปลว่าอะไรการเรียนในระดับที่นี้ในระดับที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าคุณไม่ต้องไปสนสนใจว่ามันแปลว่าอะไรคุณเพียงแต่จําจําได้แล้วก็ถ้ามีการสอบเขียนลงไปในกระดาษได้พูดคุยกับคนอื่นยกให้เขาฟังได้ แต่คุณไม่รู้ความหมายของสิ่งที่คุณจดจำนั้นการท่องจำเพิ่มพีของพี่น้องขเาพเจ้าจำนวนมากอยู่ในระดับที่หนึ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นมัทธิวบทที่6ข้อที่สาบสแต่ท่านหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของโปรองก่อนแล้วสิ่งสารพัดทั้งปวงนี้พระเจ้าจะเพิ่มเติมให้พวกเราอาจจะทั้งหมดในห้องประชุมนี้จาข้อพระมีข้อนั้นได้ใช่ไหมครับ แล้วเราท่องท่องเราท่องเราท่องเราท่องได้แล้วคุยคนหนึ่งบางทีเราก็ยกครอบขันพีตอนตอนนั้นตอนนี้ถามว่าแผ่นดินของพระเจ้าที่เปซูบอกให้เราไปหาเนี่ยมันคืออะไรแล้วความชอบธรรมที่เปซูบอกให้เราไปหาก่อนนั้นเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าที่เปซูบอกให้เราไปหาคืออะไรถ้าเราบอกไม่ได้ว่าความชอบธรรมที่เปโตบอกว่าเราต้องไปหาก่อน แล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งที่เหลือให้นั้นหมายถึงอะไรเราท่องข้อนั้นได้ข้อนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรสําหรับเราเพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังหาอะไรอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้ว่าเราหาอะไรอยู่เราจะหาเจอได้อย่างได้ยังไงนะครับข้อพระคัมภี้อข้ อ, ขอ น, นั้นกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่เราจดจําแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ความความหมายดังนั้นอิมแพกจากข้อพระธรรมตอนนั้นต่อชีวิตจริงของของเราจึงมีเท่ากับศูนย์ ยกอีกสักตัวอย่างหนึ่งมาระโกบทที่8ข้อที่34พระเยซูตัตดว่าถ้าท่านใครถ้าใครใครจะเป็นสาวกของเราให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเองรับกังเขนของตอนแบกแล้วก็ตามเรามาตอนนี้ถามว่ารับกังเขนแบกเนี่ยหมายความว่าอะไรแต่บางคนก็บอกรับกังเขนแบกหมายถึงความยากลำบากในชีวิตประจำวันน้ำท่วมรถติดแล้วกว็ไฟฟ้าดับ แอเสียเครื่องหุงข้าวเสียพร้อมๆกันไม่มีข้าวรับประทานแต่บางคนคิดว่านี้เป็นกังเขนที่เขาต้องต้องแบกอีกบางคนคิดว่ากังเขนที่ต้องแบกนัก็คือความยากลําบากในการดําเนินชีวิตเสียสามีที่เอาแต่ทำงานไม่สนสนใจครอบครัวสามีก็รู้สึกว่าภรรยาขี้บ่นเป็นกังเขนที่เขาต้อ ง, ต, องต้องแบกนะครับ เด็กวัยรุ่นในครอบครัวก็รู้สึกว่ากังเขนที่เขาต้องแบกคืคุณพ่อคุณแม่ที่เอาแต่เออะโวยวายไม่ได้ฟังความต้องต้องการของพวกเขาถ้าหากสิ่งเหล่า น, นี้คือกังเขนที่เราต้องแบกเราคงจะต้องบอกว่าคนไม่เป็นคุณเซนก็แบกกังเขนเหมือนกันถูกไหมครับเพราะพวกเขาก็ผจญกับสิ่งเหล่า น, นี้เช่นเดียวกันรับกังเขนของตนแบกหมายถึงอะไรแล้วถ้าเราไม่สามารถบอกได้ว่ารับกังเขนแบกหมายถึงอะไร แม้จะท่องจำได้เพิะมผีข้อนั้นไม่มีความหมายอะไรสำหรับเราในเชิงปฏิบัติเรายกข้อเพิะมีหนังสือหนึ่งหนึงยอนบทที่หนึ่งแต่ถ้าเราสารภาพความบาปของเราพระเจ้าทรงสัตว์ซื้รเที่ยงทาโพรงจะทรงโปรดอภัยความผิดบาปให้เราชำระเราจากบรรณาการมนต่นทั้งสิ้น เวลาเราคิดถึงข้อพระบีแบบข้อพระบีแบบนั้นเนี่ยเราเร า, เร า, เ, ราเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงเวลาเราสาลภาพบาปมีอะไรแดงแงบางอย่างไหลลงมาจากข้างบนแล้วอะไรแดงๆบางอย่างนั้นก็ไหลผ่านตัวเราแล้วสิ่งแดงแนั้นที่ไหลผ่านตัวเราทำให้เราพ้นจากบาปผิดทั้งปวงไหมอันนั้นคือสิ่งที่ยอนตั้งใจจะบอกเราในพระธรรมตอนนั้นหรือเปล่า เวลาเราล้องเพลงมักจะเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเช่นเดียวกันนะครับบ่อยครั้งเราล้องเพลงเพราะว่าเราชอบทำนองเพลงแล้วก็ทำนองเพลงบางเพลงเนี่ยก็สัมผัสความรู้สึกของเราเป็นอย่างมากนะครับแล้วเราก็มีอารมณ์ร่วมกับเนื้อเพลงของเพลงที่เราร้องแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราล้องเพลงเนี่ยเราเคยคิดถึงความหมายของเพลงที่เราร้อมหเราล้องว่านมัสการเป็นบาลังพระพระองค์ นมัสการเป็นบาลังพระองค์หมายความว่าอะไรเราบอกว่าเมื่อเพ่งดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ความบริสุทธิ์หมายถึงอะไรความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สามารถเพ่งดูได้แล้วสิ่งนั้นมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วเราสามารถยกตัวอย่างอื่นๆได้อีกมากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับที่บ่งบอกว่าการเรียนเกี่ยวกับพระชนะของพระเจ้าจานวนมากที่เกิดขึ้นภายในคริสตจักรเป็นการเรียนรู้ในระดับที่หนึ่งนี้ เรียนจนเราสามารถจดจําได้โดยไม่ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นให้ผมเล่าประสบการณ์เรื่องหนึ่งให้พวกเราฟังนะครับในเดือนอมีนาคมของปี2004ตอนนั้นผมกําลังจะเริ่มเขียนวิวทยา น, นิพนธ์ปริญญาเอกแล้วก็หัวข้อที่ผมเขียนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐบาลนะครับ ตอนนั้นคุณทักษิณยังเป็นเป็นนายกอยู่นะแล้วก็ผมก็ขึ้นไปที่เชียงเชียงใหม่ผมอยากจะรู้ว่าในประวัติศาสตร์160กว่าปีที่ผ่านมามีใครเขียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างผมก็เลยไปที่หอจดหมายเหตุเพือในการหอจดหมายเหตุพอเขารู้ว่าผมมาหาเรื่องเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ต้องหาเพราะว่าไม่มีใครเขียนอะไรไว้ <laughs> เขาบอกว่าผู้นำเพื่นไทย อย่างมากที่สุดก็คือปิดหน้าต่างปิดประตูกระซิบกระซาบคุ ย, ก, ก, ยกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นไม่มีใครกล้าเขียนอะไรออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านพันมาไม่มีใครเขียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นเลยหลังจากนั้นผมก็ไปที่แมกจิวารีนะครับไปที่ห้องสมุดผมอยากจะรู้ว่ามีอะไรในห้องสมุดแมกจิวารีที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างผมคิดว่าผมดูเกือบจะทุกอย่างที่มีในห้องสมุดแมกจิวารี แล้วก็ใช้เวลาประมาณห้าหวันด้วยกันนะครับฝังตัวอยู่ที่นั่นตั้งแต่เช้าจนเขาปิดห้องห้องสมุดทายเอกสารต่างๆกลับมาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปภายหลังสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฝาฟังก็คือผมไปถึงอ่าส่วนหนึ่งของห้องสมุดเป็นส่วนที่เขาใช้เก็บวิทยานิพนธ์ปิญญาโถของนักศึกษาแม็กกิววอรีแล้วเวลาผมเห็นอ่าวิทยานิพนธ์ผมมักจะห้ามใจไม่ได้ที่จะดูว่าเขาวิจัยเรื่องอะไร วิทยา น, นิพนธ์เนี่ยเป็นอะไรที่ราคาแพงมากใช้เวลาเยอะมากแล้วก็อยากเหงื่อแรงงานมหาศาลแต่มักจะมีคนอ่านอยู่เพียงแค่ห้าหคนเท่านั้นก็คือคนเขียนแล้วก็คนที่อ่านปรูฟแล้วก็อาจจะเป็นคณะกรรมการที่มาสอบสอบเขาอีก3ามสี่คนแล้วพอสอบผ่านแล้ววิทยา น, นิพนธ์ก็ไปกองทิ้งเอาไว้ที่โต๊ะที่นั้น พอผมเดินผ่านเซ็กชั่นที่ตรงนั้นผมอดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปดูว่าเขาเขียนเรื่องอะไรกันแล้วผมก็ดึงบางส่วนนี้ออกมาอ่านชิ้นหนึ่งที่ผมดึงออกมาเป็นการวิจัยของนาศาศาักศึกษาปิญญาโทรอ็มดีเขาไปวิจัยขึ้นจากขนาดกลางแห่งหนึ่งที่เชียงเชียงใหม่เป็นการวิจัยแบบคุณภาพคุณภาพไมายคาม่าลงพื้นที่คุยกับทีละคนค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็ในรายงานของเขา เขาพูดถึงขึ้จากนั้นนะครับในตอนในตอนตอนหนึ่งาบอกว่าคนในขึ้นจากนี้เนี่ยท่องจาข้อพิมพีเก่งมากเขาคุยกับใครก็แล้วแต่เป็นนันว่าคนนั้นสามารถท่องจําข้อพิมพีได้และไม่ว่าคนวัยไหนก็แต่ในขึ้นจากนั้นสามารถท่องจําข้อพิมพีได้แต่คนที่ทําการวิจัยเนี่ยบอกว่าเขาถามหลายคนหลังจากคนนั้นท่องเสร็จนะเขาเขาถามพี่พี่ท่องพิมพีได้ไหมคนนั้นบอกว่าน่าในพี่ลองท่องให้ผมฟังหน่อยคนนั้นก็ท่องพอท่องเสร็จเขาถามว่าพี่ ที่พี่ท่องไปเมื่อกี้หมายความว่าอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าคนนั้นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครถามอะไรแบบแบบนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นมัทธิวบทที่หข้อที่สาสบสาคนต้อถามกลับว่าที่พี่ท่องไปเมื่อกี้สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์หมายความว่าอะไรเขารายงานในในในวิทยานิพนธ์นั้นว่า คนส่วนใหญ่ที่เขาถามคำถามนั้นไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้นี่เป็นกระจกขนาดกลางนะครับมีจำนวนคนอยู่ในคระจกจำนวนนับเป็นร้อยด้วยกันแล้วก็การวิวจัยในชิ้นชิ้นนั้นดูจะยืนยันสิ่งที่ลอเรนซ์ริชาร์ดพูดเอาไว้ผมไม่รู้ว่าที่วัฒนาเราทำกลุ่มเซลล์ยังไงนะครับพราะกลุ่มเซลล์ที่ผมจะเล่าให้เราฟังต่อไปนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวัฒนานะครับ เราพูดเรื่องเซลล์ของคนอื่นไม่ใช่เซลล์ของเราเซล์ของคนอื่นนะครับเซล์ของคนอื่นกลุ่มเซลล์ในครือจักรหลายต่อหลายแห่งสมมติว่ามีทักสักเจคนแล้วก็คนที่นําก็จะเตรียมเพิ่มพีเตรียมเพลงแล้วก็ร้องแล้วทุกคนก็มานั่งด้วยกันพอร้องเพลงเสร็จอธิษฐานเสร็จเปิดเพิ่มพีพอเปิดเพิ่มพีเสร็จคนที่นําก็พูดอะไรนิดหน่อยแล้วเขถามหมอพี่พี่คิดว่าเพิ่มพีตอนนี้หมายความว่าอะไร พี่คนนั้นก็สแสดงความเห็นของเขานะครับงคนนั้นก็บอกว่าโอ้ความคิดนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาถูกสอนมาว่าอย่าไปไ ป, ไปขัดคอคนคนที่อยู่ภายในกลุ่มความเห็นนี้ดีมากเลยเขาถามไปคนว่าพี่พี่คิดว่าพมมีตอนนี้หมายความว่าอะไรคนนั้นค่อยความเห็นอีกความเห็นหนึ่งโอ้ผมไม่เคยได้ยินความคิดแบบนี้เลยความคิดจีเนียสมากเลยแล้วพี่อย่าที่อยู่โรงพายาบาลพี่คิดว่าพมีตอนนี้หมายความว่าอะไร ผมที่สุดแปดคนให้ความเห็นแปดอย่างด้วยกันแล้วความเห็นแปดอย่างนั้นบางอย่างขัดแย้งกันเองด้วยแล้วคนที่นํากลุ่มก็ถูกสอนว่าอย่าไปขัดคอใครเขาก็ประสานทุกอย่างคุยกันไปได้จนจบนะครับอธิษฐานเสร็จทุกคนออกมาจากกลุ่มเซลล์งงยิ่งกว่าก่อนเข้าไปศึกษาพระคัมภีร์เพราะก่อนเข้าไปศึกษาพระคัมภีร์คิดว่ามีความหมายอยู่ความหมายเดียวตอนนี้กลับออกมามีแปดความหมาย แล้วความหมายบางอย่างขัดแย้งกันกันเองด้วยแล้วในท้ายสุดไม่รู้ว่าจริงๆพระบิดตอนนั้นหมายความว่าอะไรลอเรนส์ริชาร์ดบอกว่าการศึกษาจํานวนมากในคริสเตจาอาจจะมากถึง90อร์เซอยู่ในระดับที่หนึ่งในระดับที่สองคือการศึกษาจนสามารถระบุได้ว่าความคิดไหนมาจากพระคัมภีร์ความคิดไหนไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ แต่ยังคงไม่ได้คิดถึงความหมายของสื่อที่ตนสามารถแยกแยะได้ถ้าจะเปรียบเทียบกับการสอบ ก, การเรียนในระดับที่สองนี้ก็คือเรียนจนทั้งสามารถขีดถูกขีดผิดได้นะครับนักศึกษาสามารถขีดถูกขีดผิดได้ประเมินว่าอะไรมาจากบั้นิอะไรไม่ได้มาจากบั้นผิวโดยไม่จาเป็นจะต้องเข้าใจความหมายของสื่อตนเองขีดหรือเปรียบเทียบได้เหมือนเป็นการจับจับคู่ เห็นความคิดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็โยงทั้งสองนั้นเข้าไว้ด้วยกันเพราะเซออสกาปาฮูมัสที่เราจำไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้แปลว่าพระเจ้าทรงรักพวกท่านโอ้ความคิดนี้มาจากเพิ่มพี่เนาะพระธรรมหลายตอนด้วยกันบอกเราว่าพร ะ, พร ะ, พ, ระพระเจ้าทรงรักเราแ้่เมื่อมีคนบอกเราว่าเราจะสามารถกลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าได้ ก็ด้วยความการกลับใจใหม่และความเชื่อกลับใจใหม่และความเชื่อคนที่เรียนมาถึงระดับที่สองนี้ก็จะบอกได้ว่าความคิดนี้มาจากพระคัมภีร์เราไม่ได้กลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าบนบ น, บนกุศลการดีต่างๆทั้งหลายที่เราประพฤติเรากลับใจได้รับความรอดเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราสํานึกว่าเราเป็นคนคนบาปแล้วก็มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อมีคนบอกว่า ความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญป ญ, ญาเขาบอกได้ว่าเออนี่มาจากพระคัมภีร์เมื่อมีคนบอกว่าการอธิษฐานเหมือนกับการหายใจคนที่เรียนมาถึงระดับที่สองจะบอกได้ว่านี่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่เคยพูดอย่างนั้นนะครับการอธิษฐานเหมือนกับการหายใจเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบของคนที่เทศนา เราน่าจะดีใจที่การอธิษฐานไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนกับการหายใจไม่งั้นเราจะเห็นศพ จ, จำนวนมากที่เครศจักนะครับเรียนมือถึงระดับที่สองจะสามารถแยกออกได้ว่าอะไรมาจากพระพีอะไรไม่ได้มาจากพระพีแต่ยังคงไม่ได้คิดถึงความความหมายในระดับที่สามก็คือเรียนจนสามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดของตนเองระดับที่สานี้เริ่มมีความหมายมากขึ้นนะครับ ถ้าเขาเรียนมาถึงระดับที่สามสิ่งที่เขารู้จะไม่ใช่เป็นข้อมูลกระจกระจายละมันจะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบนะครับคนที่มาถึงระดับที่สามตรงตร ง, ตรงนี้จะเริ่มมีโล ก, กทัศน์ที่มาจากเนื้อหาในพระคัมภีร์แล้วเพราะว่าเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ต่างๆเหล่านั้นที่เขาเรียนรู้เขาสามารถอ ธ, ธิบายได้ด้วยคําพูดของตนเองเขาไม่จำจำเป็นต้องไปพึ่งคําพูดของคนคนอื่นแล้วก็จดจําคําพูดเหล่านั้น เขาสามารถอ ธ, ธิบายให้เราฟังได้ว่าเชื่อพระเยซูหมายความว่าอะไรกลับใจใหม่หมายความว่าอะไรแล้วสองอย่างนี้รวมกันทำไมจริงทำให้เรากลับกลายเป็นบุตรของเพระเจ้าเขาอ ธ, ธิบายให้เราฟังได้ว่าความยำเกรงพระเจ้าหมายถึงอะไรอะไรคือความหมายของความยำเกรงพระเจ้าที่พวชนะของเพระเจ้าพูดไว้จริงๆแล้วถ้าเขาเรียนมาถึงระดับที่สแล้วคุณให้เวลากับเขาเพียงพอ เขาอาจจะสามารถบอกคุณได้ด้วยซ้ําไปว่าสิ่งที่เปาโลพูดในกาลาเทียบอกว่าวานอะไรเก็บเกี่ยวอย่างอย่างนั้นต่างจากกฎแห่ ง, แ ห, งแห่งกรรมในพุทธศาสนาที่ตรงตร ง, ตรงไหนถ้าเขามีเวลามากเพียงพอในการคิดนะครับในการดูรายละเอียดเขาอาจจะสามารถบอกเราได้ด้วยซ้ำซ้ำไปว่ามันหมายถึงอะไรแต่ว่าเป็นไปได้นะครับที่คนเรียนมาถึงระดับที่สามนี้อธิบายได้ด้วยคําพูดของเขา เทศได้สอนได้นำกลุ่มนำกลุ่มนำกลุ่มได้แต่สิ่งที่เขาเรียนแนละสิ่งที่เขาแบ่งปันนั้นยังคงไม่ส่งผลกระทบในเชิงปฏิบัติต่อชีวิตของคนคนนั้นเขายังคงไม่เห็นอยู่ดีนะครับว่าสิ่งที่เขาเห็นดูในเพิ่อนปีมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเขาในปัจจุบันนี้ผมมีน้องชา ย, ยอยู่คนคนหนึ่งน้องชายคนนี้เมื่อประมาณ30ปีก่อนเคยไปทํางานอยู่ในโร ง, งงานของพี่น้องคริสเตียนคนคนหนึ่ง แล้วก็ตอนนั้นเขาเพิ่งเป็นคัลเียนใหม่นะครับหลังจากไปทํางานอยู่หลายเดือนมานหนึ่งผมถามเขาบอกว่าที่ทํางานเป็นยังไงบ้างแล้วน้องชายคนนี้ก็สายาหน้าเขาบอกว่าเท่าแก่ของเขาเนี่ยไม่มีกลิ่นคริสเตียนเลยทําไมเขาถึงพูดว่าเท่าแก่ของเขาไม่มีกลิ่นคริสเตียนเพราะว่ามีนั ก, นกมีนักเทศคนคนหนึ่งมาเทศนาที่คือจักเรานะครับแล้วก็บอกว่ามีสิงโตอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยจะกัดกินคนยกเว้นพวกคริสเตียนเท่านั้น แล้วก็วันหนึ่งมีคริสเตียนคนหนึ่งเดินผ่านไปไปบนเส้นทางสายนั so, mm ้น hmm. สิงโตตัวนี้กินคริสเตียนจนทั่งเหลือแต่เพียงปากเท่านั้นเพราะว่าที่ปากคนนั้นมีกลิ่นคริสเตียนอยู่นะครับที่เหลือตัวเขาไม่มีกลิ่นคริสเตียนเลยน้องชายของผมบอกว่าเท่าแก่ของเขาไม่มีกลิ่นคริสเตียนเลยทางดันี้เท่าแก่ของเขาเป็นผู้นํำขึ้นจากคนคนหนึ่งนะครับอาจจะมีความรู้เยอะอาจจะมีความรู้ดีแต่สิ่งที่เขาเรียนรู้นั้นดูไม่ส่งผลอะไรมากนักกับชีวิตภาคปฏิบัติของเขา การเรียนรู้ในในระดับที่สี่นะครับก็คือเรียนรู้จนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในพระภีกับชีวิตจริงของคนๆ น, นั้นเมื่อมาถึงระดับที่สี่เขาไม่เพียงแต่บอกได้ว่าความยำเกรงพระเจ้าคืออะไรแต่จะมองเห็นต่อไปว่าความยำเกรงพระเจ้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับฉันในฐานะเป็นคนขับรถประจาทาง ความยำเกรงพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับฉันในฐานะเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนประชาบาลอย่างไรความยำเกรงพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับฉันในฐานะเป็นเลขานุกการหรือเป็นเฮลันยิกเป็นเจ้าหน้าที่การเงินอย่างอย่างไรไม่เพียงแต่เข้าใจคอนเซปต์บางอย่างในพิ่อนปีแต่เริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เขาเรียนรู้นั้นกับชีวิตจริงของตนเองเมื่อเรียนมาถึงระดับนี้เขาไม่ กาวาเขาไม่เพียงแต่สามารถอธิบายเนื้อหาต่างๆในพระชนะของพระเจ้าได้ไม่เพียงแต่บอกได้ว่าการพิพากษาครั้งสุดครั้งสุดท้ายนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นแต่เขาจะมองเห็นต่อไปว่าถ้าวันสุดสุดท้ายมีการพิพากษาจริงอันนี้จะส่งผลต่อชีวิตของเขาในปัจจุบันนี้อย่างไรนะครับถ้าวันหนึ่งเราต้องมายืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วให้การกับพ ร, พระเจ้าในสิ่งต่างๆที่เราได้กระทํา ถ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆในอนาคตมันควรจะส่งผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ในลักษณะใดเมื่อคนเรียนพระคัมภีร์มาถึงระดับที่สพระคัมภีร์จะไม่ใช่ตัวหนังสือสีดำบนกระดาษสีขาวละพระคัมภีร์จะกลับกลายเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่พระวิ ญ, ญญาณใช้ในการหล่อหลอมเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของคนคนั้นเมื่อเรียนมาถึงที่ตรงๆนั้นอิสราเอลข้ามแม่น้าจอแดน จะไม่ใช่อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตังไกโพ้นนั้นนะครับอับราฮามเอาอิสสักไป ถ, ถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าก็ะจะไม่ใช่อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับปีตากับกับบรรพบุรุษของคนอิสเซลที่เก่าแก่คนนั้นเป็นอย่างมากเขาจะมองเห็นสาระบางอย่างในพระครำตอนนั้นแล้วก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนของตอนเองพอเรียนรู้ไปถึงระดับนี้เขาเริ่มเชื่อมโยงเนื้อหาในเพิ่มปีกับมาสู่ชีวิตจริงของเขา แล้วโพชนาที่เขาเรียนรู้สามารถกลายเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเขาได้ถ้าถ้าเขาไม่อยู่ที่หยุดอยู่ที่ระดับที่สถ้าเขาก้าวไปถึงระดับที่หก็คือลงมือปฏิบัติจริงสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากก็ออคือมีคนจ ำ, จำนวนมากตกมาตายที่ตรงนี้นะครับ พวกเราที่เป็นผู้รับใชพพพ้พระเจ้าที่อุทิศชีวิตในการศึกษาพระคัมภีร์ในการเทศนาในการสอนเราสามารถช่วยท่านพี่น้องเนี่ยรู้จักข้อข้อเท็จจริงต่า ง, างๆในพระคัมภีร์อธิบายความหมายของเนื้อหาในพระคัมภีร์ช่วยท่านพี่น้องเกิดความเข้าใจในคอนเซป์นั้นเราสามารถช่วยด้วยซ้ำนะครับสื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้บางอย่างที่พระธรรมตอนนั้นมาเกี่ยวโยงกับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ ยกตัวอย่างในการในกา ร, รในการประยุกต์ใช้แต่ว่าเราบังคับให้ท่านพี่น้องปฏิบัติตามพระคําของพระเจ้าไม่ได้เชื่อผมนะครับถ้าบังคับได้บังคับไปแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถบังคับได้การการสนองตอบในเชิงปฏิบัติต่อพระคําของพระเจ้าต้องมาจากความสมัครใจของเราเองเราช่วยท่านพี่น้องไปถึงขีดหนึ่งได้ แต่ท่านพี่พน้องเนี่ยในที่สุดต้องยอมจำจำนนต่อพระชนะของพระเจ้าเพื่อให้พระชนะนั้นออกฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเราบางครั้งคนอ่านเพิ่มพีนะครับแล้วก็เริ่มมองเห็นว่าพระธรรมตอนนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาในปัจจุบันนี้อย่า ง, างไรพระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างส่องเข้ามาในใจของเขาแล้วทำให้เห็นปมดาเห็น ข, ขายะบางอย่างที่อยู่ภายในใจของเขา บางคนฟังเทศแล้วก็เกิดความรู้สึกแบบนั้นเช่นที่ค่ายเป็นต้นหรือในการประชุมที่เราเรียกว่าการประชุมฟื้นฟูที่คริสจักรน้ําตาไหลนะครับนักเทศเชิญให้ออกมารับการอธิษฐานเผื่อก็จะออกมาที่ด้านหน้าคุกเขา่าร้องไห้อธิษฐานพักักใหญ่แต่ถ้าเขาไม่ก้าวไปถึงอันที่ห้าก็คือยอมจำนวนต่อพระคำของพระเจ้าแล้วก็พึ่งพระคุณของพระเจ้าลงมือปฏิบัติน้ําตาแห้งเมื่อไหร่ เขาจะกลับไปเป็นคนคนเดิมแบบเดิมอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากกัรมาจะาค่ายใช่ไหมครับที่ค่ายหลายอย่างเล่าจิตใจของเราเป็นอย่างมากแล้วพอกลับมาสู่ชีวิต จ, จริงหลังจากลงมาจากจากเขากลับมาสู่ที่กรุงที่กรุงเทพถ้าคนถ้าคนนั้นไม่ได้ตัดสินใจที่จะยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นก็จะจากไปในเวลาไม่นานนะักจนกว่าการเรียนรู้ของเราจะก้าวมาถึงระดับที่ห้านีแล้วสิ่งที่เรารู้จักในพรชนะของพระเจ้าจะไม่ส่งผลในการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเรามากมากนะักพี่น้องครับทั้งหมดเหล่านี้เพื่อจะบอกเรานะครับว่าเราจะสามารถมั่นคงในทางของพระเจ้าได้ด้วยการเชื่อว่าฟัง หมายความว่าเราต้องมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเรายอมจำนวนต่อพระคำของพระเจ้ารับเอาสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสอนมาถือปฏิบัติในชีวิตจริงของของเราโดยการทำอย่างอย่างนั้นนี่จะกลายเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าพอไปถึงจุดจุดนั้นพระคัมภีจะไม่ใช่ตัวหนังสือสีดาบนกระดาษสีขาวที่เราถือไปที่ขึ้นจักเท่านั้น แต่พระคัมภีร์จะหลอ่อหลอมเปลี่ยนแปลงค่านิยมความคิดของของเราวิธีที่เราใช้ในการประเมินสิ่งต่างๆในอาชีวิตประจำวันตลอดจะั้องย่างลากลึกลงไปกับกลายเป็นประสบการณ์ที่เรามีกับพระคำของพระเจ้าในขึ้นจากหลายต่อหลายแห่งที่ที่ที่ผมคุ้นคุ้นเคยนะครับเรา เรามีกิจกรรมได้ต่อหลายๆอย่างมากที่คล้ายกับนารูที่ที่เรายกเป็นตัวอย่างในตอนต้นคำเทศานีดูดีนะครับแล้วแล้วก็จริงๆกิจกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีพิษมีภัยในตัวของมันเองเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นอะไรต่างๆที่เราทำแล้วเ พ, เพเ่เลิมเป็นอย่างมากแล้วอาจจะไม่มีอะไรที่ผิดในตัวของมันเองเราอาจจะเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้ได้เป็นเหมือนกับ อาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับจะเป็นอันทีแอนก็แล้วแต่จะเป็นแมคโดนัลด์ก็ตามอาหารจานด่วนทั้งหลายเหล่านั้นรสชาติของมันอร่อยสีสันหรือหวาอุดมไปด้วยไขมันเกลือและสารปรุงแต่งต่างๆหน้าดูหน้าชมหน้าดมหน้ากินแล้วก็กินบ้าง ก, ก, ก็ก็โอเคนะฮะ แต่ถ้าเรากินสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอาหารหลักของเราจนเราไม่มีความหิวกระหายที่จะกินอาหารที่เป็นประโยชน์จริงเนี่ยต่อสุขภาพของของเราสิ่งที่เรากินเหล่านั้นที่รสชาติอร่อยจะฆ่ า, าความอยากอาหารที่แท้จริงนะครับอาหารที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเอ ง, เองได้ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับว่าอาจบางทีเราต้องกลับมาประเมินหน่อยหนึ่งนะครับ ว่าความสัมพันธ์กับพระคําของพระเจ้ามาถึงวันวันนี้เป็นอย่างไรการเรียนรู้พระคําของพระเจ้าของเราส่วนใหญ่อยูใใ่ในระดับไหนผู้นําในครข้อจักของพระเจ้าสามารถช่วยเราไปได้ถึงจุดหนึ่งแต่ในท้ายสุดการตัดสินใจปฏิบัติโน้มตัวของเราอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องทําด้วยความ ส, สมัครใจของเราเองแต่ถ้าเราเริ่มต้นทําอย่างอย่างนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระบิดาจะไม่ใช่เป็นทฤษฎีอีกแล้ว มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของของเราแล้วเราจะรู้จักพระเจ้าพอไปถึงตรงตรงนั้นเราจะคล้ายกับคนในแคว้นสะส ม, มาเรียในยอมบทที่สคนในแคว้นซะ ม, มาเรียตอนแรกเนี่ยมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะคําพูดของผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นเล่าให้พวกเขาฟังว่าเขาพบอะไรบ้างแต่หลังจากที่เปซูยอยู่กับพวกเขาสองวันพวกเขาบอกตั้งแต่นี้ต่อไปที่เรารู้นั้นไม่ใช่เพราะเราเชื่อจากสิ่งที่เจ้าพูด แต่เพราะเราพบด้วยตัวของเราเองว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้อรอดจะไม่ใช่เป็นความความเชื่อมือสองที่ผมถ่ายทอดให้เราหรือผู้นำถ่ายทอดให้เราจะกลายเป็นประสบการณ์เป็นความเชื่อมือหนึ่งที่เรารู้จักกับพระเจ้าด้วยตัวของของเราและสิ่งนั้นสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดเกิดขึ้นกับกับเราและเตรียมตัวเราพร้อมสับการท ด, ทดสอบต่างๆเมื่อพูดอย่า ง, างนี้ผมไม่ได้หมายความว่า คนที่พระเยซูตรัสคนที่พระเยซู ต, ตรตัสว่ากระทาตามพระทัยของพระบิดาจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคําเทศาบนภูเขาไม่ใช่คําเทศาสําหรับคนสมบูรณ์แบบเพราะว่าคําเทศาในคําอธิษฐานที่พระเยซูสอน ส, สาวกอธิษฐานว่าขอทรงโปรดอาภัยความผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพองอาภัยความผิดของคนอื่นสาวกของพระเยซูในคําเทศาบนภูเขายังสามารถทําผิดได้ เหมือนกับเราแต่ละคนสามารถทำผิดได้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความสมบูรณ์แบบเรากำลังพูดถึงเรื่องการไปถูกทางนะครับการไปถูกถูกทางถ้าผมต้องการจะไปเชียงเชียงใหม่แล้วอยู่บนถนนพหลโยธินไม่ว่าจะช้าหรือว่าเร็วก็แล้วแต่ผมจะใกล้เชียงใหม่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมอยากจะไปเชียงเชียงใหม่แล้วเดินอยู่บนถนนเพชรเกษม เดินเท่าไหร่ก็ไม่มีทางไปถึงเชียงใหม่ได้มีคนบอกผมบอกว่าอาจารย์ครับโลกเราเป็นโลคกลมเแค่ลงเพกเกษมไปเรื่อยเเดี๋ยวมันกลับมาขึ้นมาบนนี้ <c oughs> คนนี้เก่งภูมิศาสตร์นะผมบอกว่าถ้าเลยภาคใต้ของประเทศไทยไปแล้วก็ไม่ใช่เพกเกษมแล้วละ่ะนะครับไม่ใช่เพกเกษมแล้วเดินอยู่บนเพกเกษมยังไงก็ไม่สามารถพาเราไปถึงเชียงเชียงใหม่ได้เราไม่พูดถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เราพูดถึงชีวิตที่ไปถูกทางเมื่อเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระคําของพระเจ้าท่าทีที่ถูกต้องต่อการเชื่อฟังตอบพระพระกิตยิ่งเดินเราจะยิ่งใกล้จุดหมายปลายทางตรงนั้นไปเรื่อยๆขอพระเจ้าจะทรงปรดช่วยเราทุกๆคนนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะเติบโตวไปบนเส้นทางสายนี้ผมอยากระจบเรื่องนี้คาเทศนาในบ่ายนี้ด้วยการเล่าเรื่องเรื่องหนึ่ง เรื่องนี้เป็นมิชชั่นชาวออสเตรเลียเล่าให้ผมผมฟังเขาบอกว่ามีคุณยายคนหนึ่งในเมืองหนึ่งในประเทศออสเตรเลียคนนี้เป็นคนสูสอสงอายุเป็นคริสเตียนมาหลายสิบหลายมาหลายสิบปีคุณยายคนนี้มีพ่อแมีปกกระดาษแข็งเก่าๆเล่มหนึ่งพกติดตัวไปโบสเนี่ยเป็นประจำวันหนึ่งคุณยายไปนมัสการพระเจ้าที่กจักแล้วก็ลืมพ่อแมีไว้นะครับกลับบ้านไป พอกลับถึงบ้านพบว่าในกระเป๋าไม่มีพระคัมภีร์รีบโทรไปหานักนักการที่เคสจกักรแล้วบอกให้นักการช่วยไปดูประมาณแถวที่เท่าไหร่ในใ น, ในตัวอาคารนะครับดูมีพัมพีปกสีดําเป็นปกกระดาษเก่าๆไหมถ้ามีขอให้ช่วยเก็บไว้นักการก็ไปดูแล้วก็พบว่ามีพัมพีเล่มนั้นอยู่ ก, ก็เก็บไปบังเ อ, อิญนักการคนนี้คล้ายกับเราหลายคนพอหยิบพัมพีคนหนึ่งขึ้นมาถือในมืออดไม่ได้ต้องเปิดดูที่ข้างๆงใน นักการคนนี้ก็เปิดดูที่ข้า ง, างในแล้วนักการก็พบว่าที่ขอบสีขาวของพระคัมภีร์นั้นตามที่ต่างๆหลายต่อหลายแห่งมีตัวอักษร T M P เขียนไว้ที่นั่น T M P T M P พลิกเข้าออไปก็พบว่ามี T M P อยู่ตามมุมต่างๆในหน้าต่างๆหลายต่อหลายแห่งด้วยกันนักการคนนี้ก็พยายามนึกว่า T M P เนี่ยมันจะเป็นตัวย่อของอะไร จะว่าเป็นชื่อของคุณยายคนนี้ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นลูกหลานของเขาก็ไม่มีใครชื่ อ, อย่อเหมือนกับท MP ันพีจะว่าเป็นบริษัทที่เขาเคยทำทำงานอยู่ก็ก็ก็ไม่ใช่นะครับเขาทำงานแบบชาวบ้านทั่วๆไปพื้นๆเท่านั้นคิดอยู่ตั้งนานนึกไม่ออกว่าท MP คืออะไรในท้ายสุดนักการคนนั้นก็ตัดสินใจว่าจะเก็บพระพีเล่มนั้นไว้แล้วคุณยายมาหาเมื่ อ, อ ไ, าหาไหร่ก็จะถามหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่วันคุณยายก็กลับมาที่กัจจัก นักการก็เอาเพื่อนปีมามอบให้แล้ว น, นักการก็บอกคุณยายครับบังเอิญบังเอิญ น, นะตอนที่ผมเอาเอาเพื่อนปีของคุณยายมาเนี่ยบังเอิญมันเปิดไปที่ด้านในเพื่อปีนะครับบัอิญบัอิญแล้วก็ผม ส, สังเกตดูว่าที่ขอบของสีขาวเนี่ยมี TNP อยู่หลายต่หลายที่ด้วยกันผมนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่า t m p เป็นตัวย่อของอะไรคุณยายบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่า t m p หมายถึงอะไร คุณยายพอได้ยิงคำคำถามก็ยิ้มนะครับบอกว่าที p อนพีเป็นตัวย่อของ tested and proven พิสูจน์แล้วและพบว่าเป็นความจริงคุณยายบอกว่าเวล า, าคุณยายอ่านเ พ, พิ่มปีรือศึกษาเ พ, พิ่มปีคุณยายทำความเข้าใจกับเนื้อหาในพระคัมภีร์แล้วก็น้อมนามอสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสอนมาดำเนินในชีวิตจริงของคุณของคุณคุณยาย แล้วพอประสบการณ์บอกว่าสิ่งที่กล่าวในเพิ่มพีเกิดขึ้นจริงคุณยายก็กลับไปเขียน TMP เอาไว้ที่ข้างๆ TMP ทั้งในมุมต่างๆในพิ่มพีเดิมและเพิมพีใหม่บงบอกว่าคุณยายได้เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติมากมายหลายอย่างและพระคำของพระเจ้าได้เปลี่ยนทำมิกชนคนคนนี้ให้ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นแบบที่ดีในการดาเนินติดตามพระคิดไปถ้าเราใช้ TMP เขียนที่ขอบพิ่มพีของเรา เราจะมีท m p อนพีอยู่สักกี่แห่งเราจะคุ้นกับ SMP มากกว่า t m แเนาะนะครับเเป็นสิ่งที่เราคุ้นมากกว่า TMP ถ้าเราทำในลักษณะคล้ายๆกันนะครับศึกษาทำความเข้าใจพระคัมภีร์แล้วเมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเราน้อมนามรรสิยพระโอชนะของพระเจ้าพึ่งพระคุณของพระเจ้ามาดำดำเนินตาม และพอกับกายเป็นสิ่งที่เราพบด้วยตัวของเราว่าเป็นอย่างนั้นจริงแ ล, แล้วเราเขียน T.M.P. เอาไว้ที่ด้านข้างพระคัมภีร์ของเราจะมี T.M.P. อยู่สักกี่แห่งขอพระเจ้าจะทรงบดช่วยเรานะครับความเชื่อในพระคริสต์มีมากกว่าการอยู่ที่โบสถ์ในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของวันอาทิตย์ครั้งละสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับภาพชีวิตคร้สเยนที่าวาดที่เราเห็นในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าสามารถอยู่ สามารถทำสิ่งต่างๆเนี่ยผ่านชีวิตของเราแล้วก็ในชีวิตของของเราสัปดาห์ละ7วันด้วยกันนะแล้วก็เราสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในการดำเนินติดตามพระพระคิดไปขอพระเจ้าจะทรงบปดช่วยเราเพื่อเราอาจจะเอาใจใส่ในพระคำของพระองค์ไม่เพียงแต่อ่านไม่เพียงแต่ต่ยตองเท่านั้นแต่ว่าศึกษาน้อมนาเอาพระเจ้าของพระเจ้ามาดำเนินตามในชีวิตประจาวันของของเราให้เราร่มใจกันอธิษฐาน พระบิดาบ่ายวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระวจนะของพระองค์ให้เราเพื่อเราทายจะรู้จักน้าพระทัยของพระเจ้าพระวจนะของพระองค์ที่เป็นเข็มทิศช่วยชี้ทางที่ถูกต้องพระวจนะของพระองค์ที่เป็นหนังสือคู่มือทําให้เรารู้ว่าเราควรจะเคลื่อนไปในทิศทางใดจึงจะสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์บ่ายวันนี้ข้าพบาททูลขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราเพื่อสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในพระคําของพระเจ้า จะสามารถส่งผลในเชิงปฏิบัติในการดรําเนินชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนพระบิดาลําพังตัวของเราแต่ละคนมีความจํากัดเป็นอย่างมากเราขอพระคุณของโปรงเจ้าค้าจูละช่วยเราช่วยเราทั้งทั้งหลายในการพัฒนาในการเติบโตอย่างลากลึกลงในพระโอชาของโปรงขอทํากิจของโปรงอย่างนี้ในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนด้วยขอบคุณโปรงในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน